อาจารย์ฟร็องซ์โอนเป็นพระชาวอังกฤษไปสอนธรรมะไปสร้างวัดที่ออสเตรเลียรเราก็ได้รับนิมนต์ไปบรรยายหลายที่คราวนั้นก็ไปแสดงธรรมให้ญาติโยมฟังแสดงธรรมจบก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง ่มมือถาวาวจะทําอย่างไรนะถ้าว่าเราต้องจะต้องตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญของชีวิตนะหรือผู้ใหญ่คือว่าถ้ามันมีเรื่องสำคัญในชีวิตนี่จะตัดสินใจอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นคําถามที่ทหลายคนก็อยากจะรู้นะ ท่านฟังแล้วท่านก็บอกว่างั้นจะลองยกตัวอย่างดูนะว่าสมมุติว่าผู้หญิงคนหนึ่งต้องการจะตัดสินใจว่าจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้หรือไม่หมายถึงคำถามทำนองนี้นะใช่ไหม ก็้หญิงก็หน้าแดงเลยนะเพราะว่ามันคงไปตรงกับเรื่องที่เธอกำลังตัดสินใจอยู่ท่านก็ขอโทษขอโพยนะพระไม่คิ ว, ว่าจะยกตัวอย่างได้ตรงกับใจแล้วท่านก็แนะว่าเนี่ยเวลามเื่องสำคัญนะที่ต้องตัดสินใจเนี่ย วิธีที่เดียเนี่ยคือการโยนหัวโยนก้อยนะโยนหัวโยนก้อยคนก็งงแล้วนี่มันมันจะตัดสินใจได้อย่างไรนะใช้หัวก้อยนี่ท่านก็บอกว่าแล้วท่านก็อธิบายว่าเนี่ยโยนหัวโยนก้อยมันดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่า มันออกก้อยเนี่ยแล้วว่าวในั้นได้ใจเราก็เออดีใจนี่ในใจเรามันดีใจนะใช่นั่งแสดงว่าใช่แน่นแต่ถ้ามันออกก้อยแล้วใจเราบอกนีงใจเราซูมมันไม่ชอบอ่ะอยากจะร้องใหม่นะอันนี้แสดงไม่ใช่นะ้ มันก็ได้คำตอบแนละ้วคือคำตอบไม่ได้อ่ที่หัวอยู่ที่ก้อยนจะมีอยู่ที่ใจนะปฏิกิริยาของใจตอนที่ออกหัวกับออกก้อยเนี่ยมันเป็นอย่างไรถ้าปฏิทใจมันชอบนะดีใจนั่นแหละก็ให้เหลือกอันนั้นแหละแต่ถ้าใจเรามันไม่ชอบเยวจะแก้ตัวใหม่นะแต่ว่าไม่ใช่และนะ้ว มันก็ให้คำตอบอีกเหมือนกันว่าอันนั้นเนี่ยไม่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการคือท่านบอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยบออ่อยครั้งเนี่ยนะหัวใจนี่มันรู้คำตอบนะให้คำตอบที่ดีกว่าหัวสมองหัวสมองนี่ คิดอย่างแต่หัวใจเนี่ยจะตอบอีกอย่างหนึ่งและสิ่งที่หัวใจตอบนี่ก็มักจะมักจะถูกต้องหรือว่าตรงกับตรงกับใจมากกว่าวิธีการใช้หัวก้อยเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่จะบอกให้เราว่าใจเราต้องการอะไรที่ท่านพูดมาก็น่าคิดนะว่า ในการที่คนเราทุกวันนี้เนี่ยางทีก็ไม่รู้ว่าใจเราต้องการอะไรส่วนใหญ่ความต้องการเนี่ยมันออกมาจากความคิดเนี่ยออกมาจากการไตรตรองด้วยเหตุได้ผลโดยเฉพาะฝรั่งนี่ก็จะมีตรงนี้มากซึ่งมันก็มีข้อดีนะมันทำใหเ้เกิดการพิจารณาใคร่คลวน แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็คิดไม่ตกเพราะว่านะบวกกับลบนี่มันก็แล้วคุณและโทษมันก็ใกล้เคียงกันในการที่เราจะมาตรวจดูว่าใจเราต้องการอะไรเนี่ยอันนี้ก็สำคัญ ลองครั้งใจแล้วก็ให้คำตอบที่ดีกว่าโดยเพราะในเรื่องที่มันเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตอย่างเช่นไม่ไ ม, มเหมือการซื้อของนะซื้อของเนี่ยก็ใช้เหตุใช้ผลใช้ใช้ใช้หัวสมองคิดได้ผิดพลาดไปยังไงก็ไม่เป็นไรก็ไปซื้อใหม่แต่แว่าเรื่องสำคัญในชีวิตนี้ มันจะมีผลยั่งยืนที่ก็ต้องรู้ด้วยว่าก็ต้องรู้ว่าใจเราต้องการอะไรถ้าคนสมายนี้ไม่รู้วใจต้องการ อ, าอะไรนะแม้กระทั่งไม่ไม่ได้สัมผัสกับจิตใจตัวนีงได้ซ้ำใจจะความคิดตลอดได้ไปอ่านบทสัมภาษณ์ของหมอนะหมอหมอหลายคนนะที่เข้าไปอบรมอบรมเรื่อง จิตตปัญญานะับรงจิตตปัญญาของหมอตั้นะแล้วก็หมอก็มีหมอคนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยที่พามานี่ใช้ความคิดตลอดเลยนะรับรู้ทุกอย่างผ่านความคิดนะทั้งสิ่งที่ พบเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยหูนะก็ใช้ความคิดตลอดจนกระทั่งลืมไปว่าเรามีใจอยู่ด้วยเวลาจะใช้ใจเนี่ยนะเวลาทำกิจกรรมอย่างเช่นให้แผ่เมตตานะแผ่ความปรารถนาให้กับคนที่นั่งข้างหน้าเนี่ยม็ททำไม่ถูกนะทำไม่ได้ทำไม่เป็น ทำยังไงใช้แต่ความคิดตลอดอันนี้ก็เป็นปัญหากับคนที่เรียนหนังสือมาเยอะๆนะใช้ความคิดตลอดยิ่ ง, งคนที่จบทางแพทย์เนี่ยนะจะเน้นเรื่องความคิดมากจนแ่ ไม่สามารถจะสัมผัสรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนไข้ได้พยาบาลก็เหมือนกันนะอันส่วนงเป็นเรื่องหน้าที่เลยนะหน้าที่มันทำให้เขาเนี่ยสนใจกับเรื่องร่างกายเคยไปอบรมประเชิงอาตาสงบแล้วว่าตอนให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนภาคอีสาน สุดท้ายก็ให้เข้าไปไปเยี่ยมคนไข้ให้ถอดหมวกพยาบาลถอดหมวกหมอทุกคนหลายคนก็ก็ถอดไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้นะอย่างหมอบางคนไปเยี่ยมคนไข้ก็ยังอยากจะดูชาร์ดดูชาร์คนไข้ซึ่งชาร์จหรือว่าข้อมูลคนไข้ก็มันก็เป็นมันก็มีแต่เรื่องของ ร่างกายเรื่องของอวัยวะมีพยาบาลคนหนึ่งก็ไปเยี่ยมเสร็จกลับมาเราก็มีการเล่าว่าได้เจออะไรบ้างก็มีคนหนึงก็เล่าว่าได้เจอคนแค่คนหนึ่งนึกเห็นแล้วคนแค่นี้รู้สึกเหนาวรู้สึกเหนาวคงไม่ค่ยมีใครมาเยี่ยมเพยวกับก็เลยถามว่าตอนที่ไปเป็นพยาบาลเนี่ย ไปดูแลคนไข้เนี่ยเคยสังเกตไหมว่าเคยสังเกตมไหมว่าคนไข้นิเหงา<ม>เขาก็คิดสภาพระบอบไม่เคยเลยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยรู้สึกสังเกตแล้วคนไข้นิเหงานแต่พอถอยหมอพยาบาลแล้วนี่มันเห็นนะมันรับรู้ได้เพราะอันนี้เป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าพอเป็นพยาบาลนี่ก็ หน้าที่มันก็แคบังคับให้สนใจแต่ร่างกายสนใจแต่ร่างกายสนใจแต่สัญญาณชีพการเต้นหัวใจความดันแต่พอทอนหมอกพยาบาลออกนะไม่ให้ไปสนใจเรื่องร่างกายนะมันก็มันกับบีบบังคับปริยาให้ใจนี่มารับรู้เรื่องความรู้สึกแต่หมอนี่ เป็นอีกกรณีหนึ่งนะเพราะส่วนนึงก็เป็นผู้ชายด้ว ย, ก, ก, ย ก, การรับรู้ความรู้สึกคนไข้นี่ก็น้อยอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งมาภูมิหลังที่เน้นเรื่องการเรียนอย่างหนักใช้แต่เรื่องความคิดเพราะฉะนั้นเ ว, เวลาเวลาเจอใครดีย๋ยว่าแต่คนไข้เลยแม้กระทั่งคนในบ้านก็ไม่ค่อยรับรู้ถึงความรู้สึกของเขาสนใจแต่ความคิดของเขา มีเรื่องขัดแย้งอะไรก็ขึ้นมาก็ต่อก็ก็เถียงกันด้วยเหตุผลไม่เอาไม่เอาเร่วมความรู้สึกหรือไม่รับรู้ถึงความรู้สึกที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังนั่นไม่ใช่แต่ความรู้สึกของคนอื่นเท่านั้นความรู้สึกของตัวเองก็เหมือนกันนะก็ไม่ได้ไม่ได้รับรู้เท่าไหร่ บางทีถ uhm, ้าใหถามว่ารู้สึกอย่างไรตอนนี้บางหลายคนยังตอบไม่ได้เลยไม่ใช่แบบหมอนะรู้สึกอย่างไรตอนนี้มันจะต้องไปควานหาว่ารู้สึกยังไงต้องใช้ความคิดขณะถามว่ารู้สึกอย่างไรนั้นก็ไม่ใช้ความคิดไปดูเลยว่าไปหาคำตอบว่ารู้สึกอย่างไรคือใช้ความคิดกำกับกับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับรู้อะไรก็ต้องรับรู้ผ่านความคิด ให้ถามว่าใจต้องการอะไรใจอยากอะไรใจปรารถนาอะไรนี่ตอบไม่ได้บอกได้ว่าเออบอกได้ว่าควรจะทําอย่างไรบอกได้ว่าพ่อแม่หรือคนรอบตัวอยากจะให้เราทําอะไรแต่บอกไม่ได้ว่าเราต้องการทําอะไรอย่างแท้จริงนี่ก็เป็ น, น, นมาและหลายคนพอเวลา อ, อันนี้มีก็มีคนมีคนก็พูดขึ้นมานะว่าเนี่ยอย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ยที่เป็นคนผลิตไอโฟนไอแพดไอพอร์ iPhone, iPad, iP od, iP od อะไรเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งมากนะเขาเคยพูดเนี่ยเขารู้นะว่าคนลูกค้าต้องการอะไร เขารู้ในสิ่งที่ลูกที่ที่ลูกค้านี่ไม่รู้เวลาบอกว่าเวลามีคนพูดเนี่ยลูกค้าเนี่ยถูกหมดทุกอย่างเนี่ยลูกค้าคือลูกค้าความเห็นของลูกค้าถูกต้องเนี่ยเขาบอกมันไม่จริงหรอกลูกค้าไม่รู้หรอกว่าเขาต้องการอะไรแต่เขานี่แหละผมนี่แหละรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร เขาก็เลยเนี่ยประสบความสาเร็จเพราะว่าเขาไม่ค่อยเชื่อฟังไม่ค่อยฟังความเห็นลูกค้าเท่าไหร่แต่เขาฟังความเห็นตัวเองอย่างเช่นเนีเพอ า, าบอกเนี้ยลูกค้าไม่เคยไม่เคยคิดว่าต้องการ iPad นะแต่พอลูกค้าเห็น iPad นี่อยากได้กับทุกคนแล้วไอแพของเขานี่หรือเครื่อ ง, ของเขานี่เรียกว่าสาเร็จรูปนะ ต่อเติมแก้ไขไม่ได้ไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ที่อื่นนะยังเติมนี่ถอดน่นได้นะพวกพีซีแต่ของเขานี่ถอดไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเขารู้ดีที่สุดว่าลูกค้าต้องการอะไรอันนี้ก็มีส่วนถูกนะแต่ว่ามีคนบอกว่าเนี่ยซียจลจอรวด ลูกค้าต้องการอะไรแต่ว่าตัวเองเกลับไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอันนี้พูดได้เรียกว่าตรงมากเลยสตีฟจ็อบนี่รู้นะลูกค้าต้องการอะไรรู้ในสิ่งที่ลูกค้าไม่รู้ด้วยซ้ำแต่สิ่งที่สตีฟจ็อบไม่มีคือไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรต้องการชื่อเสียงต้องการความสาเร็จหรือต้องการการยอมรับหรืออะไรกันแน่ อนี่ยนี้ก็นาคิดนะเออขนาดคนที่เก่งมากๆเนี่ยในส่วนรืกเขาก็ยังไม่รู้เขาต้องการอะไรต้้งที่เขารู้ว่าเขาต้องการตั้งที่เขารู้ว่าลูกค้าต้องลูกค้าทั้งโลกต้องการอะไรการที่จะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไมันเป็นเรื่องยากนะเพราะเป็นเรื่องที่ต้องสัมผัส ด, ด้วยใจมันต้องเป็น บางทีสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องการมันไม่ใช่มันเป็นความต้องการกินเลศมากกว่าเดี๋ยวมันเป็นความต้องการที่ถูกยัดเยีดยดจากสื่อโฆษณาจากบริษัทหรือบางทีก็จากพ่อจากแม่พ่อแม่อยากจะให้เรียนหมออยากให้เรียนวิศวะก็ก็คิดว่าเราอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นวิศวะพ่อแม่อยากจะให้เรารวยก็คิดว่าเออเราก็ เราก็อยากจะรวยแต่ถามใจจริงๆก็ถ้าพบถ้าได้สัมผัสกับใจก็จะรู้ว่าไม่ใช่ใจมันบอกว่าไม่ใช่ใหม่ๆจะรู้ว่าใช่หรือว่าคิดว่าใช่เนะแต่พออยู่ไปอยู่ไปเออไม่ใช่ในการที่คนเราจะรู้จากหัวจิตหัวใจตัวนี้มันมันไม่ใช่ง่ายนะ แม้แต่ทางจะรู้เรื่องพื้นฐานพื้นๆเช่เรื่องรู้ว่ารู้สึกอย่างไรตอนนี้ความรู้สึกที่ว่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกอะไรชื่อว่าอะไรตอบไม่ได้นี่เป็นกันมากเนื่องเพราฝรั่งนี่เป็นกันเยอะมากอันนี้หมอจิตวิทยาจิตแพทย์นี่เขาบอกเลยวนะ่าเดี๋ยวนี้คนอเมริกันเนี่ยส่วนมากเนี่ไม่รู้ตัวเอง รู้สึกอะไรไม่รู้ความรู้สึกของตัวเองไม่รู้อารมณ์ของตัวเอง้คนไทยก็เป็นนี้มากเคยมีโยมามาสนทนาด้วยนะที่นี่ต้องถามว่าถามเรื่องการเจริญสติก็ตอบไปให้สังเกตใจของตัวเองก็ถาม่าสังเกตใจดูใจมันเป็นยังไงก็ถาวาในตอนนี้ยมรู้สึกยังไง เขาก็งงอยู่สักพักนะตอบไม่ได้ว่ารู้สึกอย่างไรตอนนี้ไอ้แซวเป็นความแปลกแยกนะระหว่างระหว่างระหว่างตัวเองกับจิตใจตอนนี้เขาเ้าใจไปเพราะเขาใช้ความคิดมากหรือมิฉะนั้นก็ส่งจิตออกนอกมากไปคนที่ใช้ความคิดมากมันก็ไม่รู้สัมผัสกับจิตใจส่วนเลึกของตัวเองหรือแม้กระทั่งอารมณ์ เบื้องต้นพื้นฐานอยู่คนนี้ส่งจิตออกนอกเนี่ยส่งจิตออนอกไปสนใจคนนึงคนนี้สนใจนะทํามาหากินสนใจผู้คนสนใจอยากจะได้โน่นอยากได้นี่ซื้อโน่นซื้อนี่คนนี้จะไม่ค่อยรู้ว่าติดใจอตัวเองตอนนี้รู้สึกอย่างไงเรื่องมันเกิดช่องว่าง เวลาปฏิบัติทำนะเวลาให้บอกว่าให้มารู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่นะงงไปหมดเลยรู้สึกตัวเป็นยังไงจะใช้ความคิดตลอดบอกว่าให้รู้ทันความคิดนะไม่ต้องคิดอะไรวางความคิดเนะเราก็่คิดอยู่นั่นแล้วว่าตอนนี้เราคิดอยู่หรือเปล่านะตอนนี้เราคิดอยู่หรือเปล่านะเนี่ยหลายคนใหม่หมจะเป็นอย่างนี้ไม่ไม่สามารถจะทําความรู้สึกตัวได้ ความสุขตอนเป็นเรื่องของใจนะคนที่คิดตลอดที่ตลอดรับรู้ด้วยความคิดรอนั่งการวิพากษ์วิจารยอยูตลอดเวลาเวลาเราวิพากษจารเราก็ใช้ความคิดนะวิพากษ์วิจารว่าดีไม่ดีเอเวลากินอาหารก็วิจารว่ามันดีไม่ดีมันทำด้วยอะไรนะคุ้มค่าคุ้มราคาไหม ไม่ค่อยเปิดกาย ใ, ใจได้รับรู้หรือรู้สึกนะถึงประสบการณ์การกิ่นก็ใจความพิตลอดมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าเป็นอารมณ์แบบแบบยากทํานองว่าชอบไม่ชอบอร่อยไม่อร่อยอยากไม่อยากแต่ว่ามั น, มนไม่มันไม่มีอะไรที่ ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของใจนะในระหว่างการเสดนั้นนั้นพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเจอสติเนี่ยให้วางความเนี่ยวางไม่ได้บอกให้รู้ทันความคิดรู้ทันเนี่ยรู้ทันได้ใจนแต่ก็ยังใช้ความคิดว่าเอ้ยเรานี่เราคิดอยู่หรือเปล่านะใช้ความคิดเป็นตัวสอด ส, ส่องหาความคิดมันหาไม่ได้นะ ใช้ความคิดหาความคิดนะมันก็เหมือนกับอะไร เ, เครื่องช่างน้ำหนักเนี่ยมันช่างได้ทุกอย่างยกเว้นช่างตัวมันเองมันช่างไม่ได้หรือกระจกเนี่ยกระจกมันสะท้อนทุกอย่างแต่มันไม่เห็นตัวเองขวานี่มันถาได้ทุกอย่างยกเว้นด้ามของมันตั้งใจให้ความคิดเห็นความคิดนี่มันยากเป็นไปไม่ได้ เรนได้ไวแต่ว่าเออผ่านไปแล้วเราก็ให้ใช้ความคิดมาใช้ในการใไข่ครควนตรวจสอบเออเมื่อกี้ที่เราคิดนี่มันถูกต้องไหมอันนี้ได้นะคือมันผ่านไปแล้วเราเคยมามามาย้อนเราลึกเราใช้ความคิดพิจารณาตรวจสอบประเมินพิพากษ์วิจารณ์แต่ตอนที่มันกาลังคิดอยู่เนี่ยจะให้ความคิดเห็นความคิดไม่ได้แต่มันใช่ใจได้ใช้ใจไปรับรู้ความคิด ใจส่วนนี้ก็คือสตินั่นแหละรับรู้ความคิดหลายคนใหม่ๆก็พยายามใช้ความคิดดูความคิดมันก็เลยล้มเหลวสับสนตอนนี้กำลังคิดอยู่หรือเปล่าเนอ้อนี่มันคิดเข้าไปเต็มที่เล้ยังไม่รู้ว่าคิดอีกเนะนี่เรากำลังคิดอยู่หรือเนี่ยมันจะมีความคิดแบบนี้ผดขึ้นมาอยู่เรื่อย จนกระทั่งพอปฏิบัติถึงจุดหนึ่งเออรู้ว่าเออมันไม่ต้องไอความรู้สึกตัวนี้เป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องการใช้ใจใช้ความใช้ใจรับรู้ไม่ใช่เพราความคิดแต่ใช้ใจรับรู้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโกรธหงุดหงิดขุนเคืองคับข้องดีใจเรื่มปิตินอะไปใช้ความคิดไปรับรู้มันก็ยังไม่ได้นะเพอ เพราะว่ามันก็เหมือนกับรับรู้เสียงด้วยตามันก็รับรู้ไม่ได้นะหรือรับรู้ภาพด้วยหูก็ไม่ใช่ไอเรื่องอารมณ์นี่มันใช้ใช้จิตไปรับรู้ความรู้สึกตรงนั่นแหละที่เรียกว่าเนี่ยการเจอสติมก็จะก้าวหน้าขึ้น พยายามวางวางความคิดต่างๆลงแล้วก็ใช้ความรู้สึกหรือว่าใช้ใช้ใจไปรับรู้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะกับจิตคือความคิดและความรู้สึกเท่านั้นแต่ว่าเราทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเช่นความปวดรู้เวทนาเมื่อเราจะรับรู้ว่าปวดใจ มันเหนื่อยมันล้าหรือว่ามันเต้นเร็วแค่ไหนเนี่ยมันต้องใช้ใช้ความรู้สึกนะเวลาจะรู้ว่าเกร็งหรือไม่ร่างกายเกร็งหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องใช้ใจนะไปรับรู้ตอนนี้กาลังเกร็งนะตอนนี้กาลังผ่อนคลายใช้ความคิดไปรับรู้มันก็ไม่ได้ บางคนก็เวลาปฏิบัติก็ทิ้งวางความคิดไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นบริกรรมแทนนะมันปล่อยวางความคิดไม่ได้บริกรรมนะเวลายกมือก็ก็คิดไปด้วยว่านีนกนกนก่ก็นี่ยกนะยกนะประกอบขยับลงคือคอยภาคตลอดเวลาเวลายกมือ เวลาเดินก็ซ้ายขวาซ้ายขวาจิตมันจะพาคตลอเวลาเพราะนั่นแหละคือการใช้ความคิดนบางทีก็นับหนึ่งนับสองหรือพุโทโธพุโทโธนี่ก็ใช้ความคิดเหมือนกันพอบอกไม่ต้องบริกรรมนีม่งงไปเลยเพราะไม่บริกรรมคือมันไม่ต้องใช้ความคิดแรงสิ่งแค่ใช้ใจรับรู้รับล ม, มหายใจที่เขาออกรับรู้มือที่คขยันขยับผมวงพ่อเทนนี่ก็เน้นเรื่องรู้สึกรู้สึ ก, ร, สกรู้สึกตัว ซึงก็เป็นเรื่องยากนะใหม่ๆนะสาหรับคนที่เรียนมาเยอะๆกนะ็มันเรียนการเรียนการสอนมันเน้นเรื่องการใช้ความคิดไม่ค่อยใช้ความรู้สึกเท่าไหร่แต่ก็มีหลายโรงเรียนนะเขาก็ดีนะเขาก็สอนเด็กตั้งแต่เล็กเลยนักการุกบาลเด็กการุกบาลมาโรงเรียนนะเด็กก็บางคนก็ดีใจได้เจอเพื่อนบางคนก็เสียใจเพราะว่า จากแม่จากพ่อแม่ชั่วคราวตา่างบางคนก็ยังง่วงมาถึงโรงเรียนครูก็ให้หยิบการหยิบบัตรบัตรนี้จะบอกความรู้สึกนะมันจะเป็นรูปตัวการ์กกรตูนแลรวใพกอิโมจีในโทรศัพท์มือถืออีโมจิไปรูปหน้ายิ้มหน้าบึง้งไปรูปเสียใจไปรูปเหงา ให้เด็กเลือกว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรให้เด็กเลือกบัตรที่มันถูกใจตรงกับความรู้สึก ข, ของตัวเองถูกใจนี่แม่แต่ว่าช่อนแต่มันตรงกับใจแล้เด็กก็ค่อยทำาปทำไปฝึกได้ในสุดเด็กก็สามารถจะรับรู้ความรู้สึก ข, ของตัวเองได้ว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรเด็กเขารู้ใจตัวเองแต่เล็ก แล้วก็การรู้ใจก็ทําให้อารมณ์ความรู้สึกมันมันมันกลับมาเป็นปกติได้แค่รู้ว่าตอนนี้กําลังเหงากาลังเสียใจกําลังหมุดหิดนะพอรู้ว่าใจเป็นอะไรแล้วนี่แหละรู้ว่ากําลังรู้สึกอย่างไรนี่มันใจเป็นปกติกลับมาเป็นปกติได้นี่เป็นธรรมชาติของสตินะเป็นอนิสงส์ของสติเป็นความสมามารถสติคือพออารมณ์มันถูกรู้นี่ หรือว่ารั่วมีอารมณ์ใดเนี่ยมันกลับมารู้สึกตัวเนี่ยเพราะอารมณ์เกิดขึ้นจากการที่ไม่รู้สึกตัวจากการลืมตัวสติมันทาให้รู้สึกตัวขึ้น ม, มาทําให้ไม่ลืมตัวพอมีความรู้สึกตัวเราลึกได้ไม่ลืมตัวนี้อารมณ์ก็หายตกหล่นไปเลยพอมันมาตอนที่ลืมตัว เมือ่อเก้าอี้ก็อีอ้ว่างเนี่ยอารมณ์ก็มานั่งแต่พอสติมันนั่งเก้าอี้นั้นเป็นเจ้าของมันก็ไม่เขาไม่สามารถจะเข้ามานั่งได้เพราะเก้าอี้มีตัวเดียวนะแต่เราก็มีแค่นี้แหละก็คือว่าไม่ลืมก็หลงถ้าไม่รู้ก็หลง ถ้าไม่รู้ตัวก็หลงหรือว่าลืมแล้วหลงกับรู้มันก็ต่อสู้กันขับเคี่ยวกันให้ความคิดนี่มันไม่ช่วยทําให้เรามีความรู้ตัวได้ดีขึ้นะประโยชน์มันก็มีหลายอย่างนะแต่ว่ามันมันไม่หน้าที่ของมันไม่ใช่ทําอันนี้เบ่นแต่ว่าเป็นการมาไคร่ครวน ใครคนชีวิตที่ผ่านเาก็จะสังเกตเห็นความความเปลี่ยนแปลงได้ก็อาจจะเกิดความรู้ตัวขึ้นมาได้แต่นั้นเป็นการรู้ตัวช่วงยาวเช่นคนที่เคยมีชีวิตที่เรียบง่ายเสร็จแล้วพอเข้าเมืองก็กลับมาแล้วก็มีเงินมีทองก็ชีวิตก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกก็ฟุ้งเฟอ้อแต่ก่อนก็ นั่งโต๊ะนั่งนั่งพื้นนะเล่นกับดินได้แต่พอร่ำรวยแล้วก็ดิบโยงนะข้าวแกงก็กินไม่ไดนะ้ต้องกินของอาหารราคาแพงอย่างนี้ใช้ความคิดในกาพรพิจารณาวแต่ก่อนนี่เราเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้เราเป็นก่อนเราเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้เราเป็นอย่างอื่นเป็นละ แต่ก่อนเราอยู่ง่ายเรียบง่ายแต่ตอนนี้เรากลายเป็นอยู่ยากนะมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงกลับมารู้ตัวไอ้นี่เรากำลังจะเตลิดเปิดเปืองไปไกลแล้วนะแต่ก่อนเรามีเวลาให้กับคนในคนที่บ้านในครอบครัวแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาให้เลยอันนี้มาการโทอโทรไอเนี่มันต้องใช้ความคิดพิจารณาเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลง ก็ทําทให้รู้ตัวขึ้นมาว่าตอนนี้เรากําลังหลงตัวลืมตัวกําลังฟุ้งเฟอ้เฟอเห่เอเหิมแล้วอตอนนี้ก็กลับตัวกลับใจเช่นใหม่อันเนี้ยได้ใช้ความคิดในการที่จะมาทําให้ไม่ลืมตัวทําให้เกิดข้อคิดสะดุดใจดึงจิตดึงชีวิตกลับมาไม่ให้ลืมตัวไปในทางที่ผิดที่พลาดแต่ว่า ถ้าเป็นเรื่องความรู้ตัวในแต่ละขนาดแต่ละขณะเนี่ยไม่ใช่ช่วงยาวเนี่ยมันต้องใช้ใช้สติใช้ใจสตินี่เป็นเป็นคุณสมบัติฝ่ายจิตนะไม่ใช่ฝ่ายความคิดนะมันทําให้ไอ้ความไอ้ความรู้ตัวเงี้ยมันต้องใช้ต้องใช้สติเข้ามา มันก็จะเพิ่มพลังความรู้ความรู้ตัวให้มากขึ้นมากขึ้นที่มีสติไว้เท่าไหร่มันก็รู้ตัวได้เร็วเท่านั้นก็ทําให้ความหลงไม่มีโอกาสที่มาคลองจิตคลองใจหรือมีโอกาสน้อยกรู้กับหลงนี่มันจะขับเคลื่อนตลอดเวลาหลงนี่ไม่ใช่แค่แค่ลืมตัวนะแต่หมายถึงเรื่องการถูกอารมณ์ครอบงําด้วย หรือว่าเราต้องกินเลนยิวอนต่างๆเนี่ยความงวงงาเขานอนหรือว่าความติดยึดในกามหรือว่าความเข้าข้องใจความลังเลสงสัยความฟุ้งความกระวนกระวายฟุ้งซ่านเดือดร้อนใจพวก น, นี้มันก็รวมอยู่ในฝ่ายความหลง แต่ ท, ทันทีที่รู้ทันมันเมื่อไหรนะมันก็ค่อยๆล่าถอยไปมันแพ้เมื่อความมืดแสงสว่างแสงสว่างความมืดก็ขับเคลื่ยวกันนะพอเจอแสงสว่างความมืดก็หายไปแต่พอแสงสว่างหรือเทียนดับไปความมืดก็กลับมาจู่โจมใหม่พอพระาทิตตกความมืดก็พร้อมนำ้ำพอพาทิตขึ้นมันก็ไล่ ความมืดออกไปก็วนเวียงกันอย่างนั้นแหละมืดแล้วก็สว่างสว่างแล้วก็มืดใจเราก็เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่มันมีโอกาสที่มันจะสว่างไปได้ตลอดนะหรือว่ารู้ไปได้ตลอดเนี่ยครูเจ้านี่ก็เรียกว่ารู้จนรงทั่งความหลงมันไม่มีที่ตั้งหายไปเลย อาทิตขึ้นอาทิตย์ตกก็เป็นธรรมดาของมนุษย์มีขึ้นมีสว่างมีมืดนะแต่ว่าจิตใจคนเรามันสามารถจะสว่างไปได้ตลอดนะไม่เหลือที่ไม่เหลือที่หรือมุมของความมืดได้เลยเนี่ยเพราะว่าการรู้แจ้งเห็นจริงนะในสัจธรรมซึ่งก็ต้องอาศัยความรู้ึกตัวเป็นพื้นฐานในการทำให้เกิดปัญญาอย่างที่ว่ามาะชาญิกพกันท่านอย